พระไตรปิฎกฉบับประราปราชาชนเล่มที่เก้ามหาศีหนาทะสูตรสูตรว่าด้วยการบรรลือศีหนาฏพระผู้มีพระภาคประทับนับป่าที่ให้อภัยแก่เนื้อชื่อกันนักกะท ะ, ะใกล้เมืองอุชุญยานักบวชชีเปลือยชื่อกัสปะได้เข้าไปเฝ้าปราบทูลถามว่าได้ยินเขาพูดกันว่าพระสมณะโคดมทรงติการบำเพ็ญตะบะทุกชนิด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 เรากล่าวว่าดีบางข้อที่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าไม่ดีเรากล่าวว่าไม่ดีก็มี2บางข้อที่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าดีเรากล่าวว่าไม่ดีบางข้อที่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าไม่ดีเรากล่าวว่าดีก็มี3บางข้อที่เรากล่าวว่าดีพวกอื่นกล่าวว่าดี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 ขอให้วินยูชนสอบสวนเปรียบเทียบระหว่างศาสดากับศาสดาสงฆ์กับสงฆ์ดูเถิดว่าทรรมเหล่าใดที่เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรส่องเสบไม่ควรแก่อริยะบุคคลเป็นธรรมฝ่ายดำใครเล่าละทรรมเหล่านี้ไม่ให้มีเหลือมากกว่ากันพระสมณะโคดมหรือคณาจารย์เหล่าอื่น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 สำหรับพระสูตรนี้เห็นได้ว่าซา่าสำคัญอยู่ที่ประพฤติปฏิบัติได้จริงอย่างพูดจึงทำให้พระผู้มีพระภาคทรงกล้าบันลือสีหนาฏโดยท้าให้สอบสวนเปรียบเทียบด้วยซ้าหมายเหตุบันลือสีหนาฏคือเปล่งด้วยเสียงอันดังดุดพระราชสีด้วยวาจาอันองอาจสำนวนนี้ถ้าแปลง่ายๆก็เรียกว่า